Yeah. Mm -hmm. ที่พระจะอนุโมทนาให้พรก็ขอกล่าว เ, าเป็นสัมโมทินิกถ า, าวันนี้ เ, เรียกว่าเป็นวันรวมญาติญาติธรรมาจากทุกสารทิศมาจากหลายจังหวัดเรียกว่าทั่วทุกภาคของประเทศก็ได้ที่ญาติธรรมมากันมากมายก็เพราะว่ามา ทำบุญกะถินที่วัดป่าสุกโตบุญกะถินเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญที่สำคัญเป็นบุญที่มีอ น, นิสงฆ์มากเพราะเหตุว่านอกจากจะเป็นสังฆทานที่มุ่งถวายกับสงฆ์โดยไม่จอะจงผู้ใดผู้หนึ่งแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสังฆทานชนิดพิเศษนะก็คือว่าปีหนึ่งเนี่ยทำได้เพียงชั่วเวลาเดียว ก็คือช่วง30วันหลังจากออกพรรษานะไปเส้นสุดวันลอยกระทงสังฆทานทั่วไปนี่ทำได้ตลอดทั้งปีไม่มีเว้นตแต่ว่ากฐินทานเนี่ยนะก็ต้องทำในช่วงนี้เท่านั้นเรียกว่าการละทานการละทานก็คือว่าทานที่จำกัดเวลาและนอกจากนั้นเนี่ยยังทาได้เฉพา ะ, ะครั้งเดียวสาหรับ1วัด อย่างวัดป่าสุขโตเนี่ยรับกรถิ่นวันนี้แล้วเนี่ยจะรับกรถินอื่นไม่ได้ละจะรับอีกทีก็ปีหน้าเลยสังกทานนี่ปีหนึ่งเนี่ยแต่ละวัดนี่จะรับกี่ครั้งก็ได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งก็ได้แต่ว่ากระถินเนี่ยกรถินนาทธานเนี่ยนะรับได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าที่สําคัญนะก่านนั่นก็คือว่า เป็นสังฆทานนะที่มุ่งเนะจาะจงส่งเสริมเชิดชูสามัคคีธรรมสามัคคีของหมู่สงแล้วก็ของคารวะเชิดชูสามัคคีของสงก็ตรงที่ว่าจะถวายกระถินได้ก็เฉพาะนะวัดที่มีพระภิกษุจาพรรษาครบถ้วนไตรมาส ก, การที่พระเนี่ยจะจำพรรษาด้วยการหลายรูปเป็นเวลาสาเดือนเนี่ย จนตลอดรอดฟังได้นะก็ต้องมีความสามัคคีกันในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนอกจากสามัคคีกันแล้วก็ยังมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันว่าจะถวายให้กับภาพรูปใดอันนี้ต้องเป็นความเห็นเอกฉันนะไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างมากอย่างใช้ไม่ได้ต้องเป็นเอกฉันอย่างที่ได้ได้เห็นเมื่อสักครู่นะว่า มีการซักถามว่าพระรูปใดคัดค้านไหมถ้าคัดค้านก็ให้เปล่งเสียงออกมาถ้าไม่คัดค้านเห็นด้วยก็เงียบเรียกว่าอยู่ในดุษนียภาพนะการที่พระเงียบก็แปลว่าเห็นด้วยทั้งหมดนะอันนี้ก็เรียกว่าต้องอาศัยความสมัคคีนะถึงจะมีฉันทานุมัติแบบนี้ได้อีกประการนึงคือว่าผ้าที่ถวายเนี่ยนะถ้าตามประเพณีแล้วเนี่ย ก็ยังต้องมีกระบวนการต่อจากนี้นะก็คือพระทั้งวัดเนี่ยก็ต้องไปเอาผ้าเนี่ยไปตัดไปเย็บไปย้อมให้เป็นจีวรมีขันถูกต้องตามพระวินยัยขันก็คื อ, อมีมีลวดลายคล้ายกับคันนาเนี่ยแหละเรียกขันก็คือต้องเอาผ้ามาต่อๆกันสมัยก่อนนี่ทอดกรถินก็จะถวายเป็นผ้าผืนเดียวไม่ใช่จีวรสาเร็จรูปนะ ตอนนั้นพระก็ต้องไปทําให้เป็นจีวรจะเป็นสบงจะเป็นสังฆาติหรือจีวรก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็ทําได้แค่สบงะนะเพราะว่าสังฆาติหรือจีวรเนี่ยผืนใหญ่เนี่ยจะทําให้เสร็จภายในวันเดียวก็มีกําหนดนะว่าต้องก่อนรุ่งเช้าซึ่งถ้าหากว่าทําเป็นสังฆาติแล้วเนี่ยคงจัดเสร็จไม่ทันแต่ถึงแม้จะเป็นสบงก็ต้องรีบนะต้องร่วมมือกันทํานะ สมัยพุทธ ก, กาลนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็เสด็จมาร่วมด้วยไม่มีการเลือกพรรษาว่าพรรษาเล็กพรรษาพรรษาน้อยพรรษาใหญ่ต้องมาช่วยกันหมดนะอันนี้แหละนะก็เป็นเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความสามัคคีในหมู่สงฆ์แล้วก็กับคารวาก็เช่นเดียวกันนะอย่างที่เราเห็นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเจ้จาภาพเนี่ยเจ้าภาพกถินที่วัดป่าสุกโตทุกปีก็เป็นกถินสามัคคี เพราะเราต้องการด้เกิดความสมัคคีกันก็คือว่าใครยังเป็นเจ้าภาพก็ได้นะบางวันนี่เจ้าภาพเนี่ยมีแค่คนเดียวใครอยากเป็นเจ้าภาพก็ต้องรอปีต่อไปบางวันนี่เจ้าภาพนี่เข้าแถวยาว200ปีนะก็ปากน้ำเนี่ย0อปีเลยนะแต่ที่นี่เนี่ยใครอยากเป็นเจ้าภาพมาเลยนะเพราะว่าเราเน้นนะให้เป็นกถินที่ส่งเสริมความสมัคคีเจ้าภาพก็มาจาก หลายที่หลายทางไม่รู้จักกันหรอกนะแต่ว่าก็มารวมกันตรงนี้นะก็มารู้จักกันที่นี่เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมสมัครยีลงทางนี่ก็มาจากหลายที่หลายทางนะญาโยมก็มาด้วยความปรารถนาดีมีน้ําใจก็ได้มาพบกันนะเป็นชุมทางของการที่มาร่วมแรงร่วมใจกันทําความดีอันนี้กเ็เป็นเหตุผลว่าทําไมกฐินนัทธานเนี่ยจึงเป็นสังฆทานที่มีอ น, นิสงส์มากนะ อันที่สองนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินนะจะเท่าไรก็ตามเนี่ยไม่สำคัญเพราะว่าสิ่งสำคัญกว่าก็คือความร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันรวมทั้งความปราบคลื่นปิตินะที่ได้มาร่วมกันทาบุญเป็นการส่งเสริมอุปถรัรมภ์บำรุงพระสงฆ์บารุงวาอารามแล้วก็เป็นการอุปถัมภ์ภาษศาสนาไปในตัว แล้วชาวไทยเราเนี่ยก็นิยมทําบุญนะโดยเฉพาะกระถินเนี่ยเทศาการถิ่นเนี่ยหลายท่านนี่ก็ก็นิยมนะไปเดินทางไปตามที่ต่างๆเพื่อไปทอดกรถินเสร็กรถินวัดนี้แล้วนะบางท่านก็ต่อไปวัดป่ามหาวันะเมื่อวานนี่นก็ไปทอดกรถินที่วัดปูกะทองหรือบางท่านไปไกลกว่านั้นไปทอดกรถินที่หนองคายอุดรเชียงใหม่เพราะว่าช่วงนี้เป็นเทศากาลกระถิ่ีอยวแล้วก็ตามก็อยากจะฝากไว้ว่า ไปร่วมบุญกระถิ่นหรือว่าร่วมบุญผ้าป่าที่ไหนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมบุญอย่างอื่นด้วยมีเรื่องเล่าว่ามีคราวหนึ่งโยมคนนึงไปหาหลวงพ่อเฟื่องโชติโก่อดีตเจ้าวาดวัฒนสถิตที่ระยองถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นโยมก็เพื่อเนี่ยมาทําบุญที่วัด น, นี้แหละหลวงพ่อเฟื่องก็เลยถามว่าแล้วไปทําบุญที่ไหนอีกบ้างโยมก็ตอบว่าไปทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัด น, นั้น ไปสร้างวิหารที่วัดนี้นะไปร่วมทอดประป่าทั่วกระถินทอดกรถิ่นที่นั่นที่นี่บ้างผมว่าเฟื่องท่านก็ฟังแล้วก็พูดต่ออีกประโยชน์หนึ่งว่าแล้วไม่ทำบุญที่ใจบ้างเหรอนะทำบุญที่วัดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะต้องทำบุญที่ใจด้วยบางคนสงสัยว่าทำบุญที่ใจมันทำได้ด้วยหรือทำได้นะไม่ต้องใช้เงินทาไมต้องทำบุญที่ใจนะ ก็พ่อคนเราจะสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเป็นหลักเลยนะถ้าเรารักเรารักตัวเองนะนะเราก็ต้องรู้จักมั่นดูแลจิตใจการทําบุญที่ใจคือการนะหาสิ่งคุ้มครองจิตใจเพื่อไม่ให้ทุกข์นะเรามีบ้านนะเรามีเสื้อผ้าเพื่อคุ้มครองรักษากายนะไม่ให้แดดฝน มแมลงนะมารบ ก, กวนมาก่อความรำคาญระคายเคืองนะเราสร้างกำแพงเพื่อป้องกันอันตรายแต่ใจเราล่ละนะเรามีอะไรป้องกันไหมถ้าจะทาบุญจิตใจคือการนะพยายามหาธรรมะมาคุ้มครองจิตใจและสิ่งหนึ่งที่คุ้มครองจิตใจเราได้ดีนะก็คือสตินะประการต่อมาคือปัญญา สติเนี่ยจะคุ้มครองใจได้ดีมากนะยิ่งปัญญาด้วยแล้วเนี่ยนะจะสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ความเป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยนะเราก็อยากจะให้มีความราบรื่นนะมีความปกติชีวิตประสบความสุขความเจริญและเราก็เพียรพยายามนะทำเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นการที่เราเรียนหนังสือการที่เราทำความเพียรขยันขันแข็งในการทาอาชีพการงาน หือแม้แต่การที่เราให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะมันก็เพื่อให้ช่วยเรามีความสุขแต่ว่าไม่ว่าเราจะร่ํารวยเพียงใดมีความรู้มากมายแค่ไหนนะมีอํานาจวาสนาสูงส่งเพียงใดเราก็ย่อมต้องเจอกับสิ่งที่มากระทบนะกับจิตใจจะต้องเจอเหตุที่ไม่พึงพอใจ อย่างที่เราสวดทำวัตทุกช้าก็จะมีข้อความว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็ต้องพัดพลาจากสิ่งที่รักที่พอใจทุกคนต้องเจอสองสิ่งนี้ทั้งนั้นแหละเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเช่นแดดร้อนรถติดความเจ็บป่วยแล้วก็ต้องประสบกับความพัดพลาดจากสิ่งรักสิ่งพอใจเช่นเงินหาย นะทรัพสมบัติถูกโกงนะรถถูกขมโมยรวมทั้งคนรักนะจากไปนะถ้าไม่จากไปก็จากตายไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นทำความดีแค่ไหนทำบุญมากมายเพียงใดก็ยังต้องเจอแต่ว่าถ้าว่าเรารู้จักสร้างสติขึ้นมาคุ้มครองใจเนี่ยนะมันจะเจอเหตุเ ห, เหล่านี้มากมายเพียงใดนะ ใจก็ไม่ทุกข์เวลาป่วยนะมันก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยใจป่วยเพราะอะไรนะใจป่วยเพราะวิตกกังวลคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเกิดความตื่นตระหนกตกใจนะทั้งที่มันยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าก็กินไม่ได้น้อยไม่หลับวิตกกังวลกระวนกระวายอันนี้เพราะใจมันไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดเรียกว่าไปอยู่กับอนาคตนะไปอยู่กับภาพปรุงแต่งที่มโนขึ้นมา บ่อยครั้งเราก็ทุกข์เพราะใจมันไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่สูญเสียไปจะเป็นคนจะเป็นสิ่งของนึกถึงเหตุร้ายที่ทําให้เจ็บปวดทําให้เครียดแค้นมันก็แปลกนะนึกถึงทีไรก็ทุกนึกถึงทีไรก็เจ็บนึกถึงทีไรก็ปวดนึกถึงทีไรก็แค้นแต่ก็ยังอดนึกขึ้ไม่ได้ก็ยังคิดถึงมันอยู่ไม่ไม่เลิกนะ ที่จริงถ้าเรารักตัวเองนะเราก็ต้องพยายามสลัดต้องวางเหมือนกับว่าเราเห็นไฟเราเห็นถ่านก้อนแดงๆเราเห็นน้มทำไมเราต้องไปจับมันทำไมเราต้องไปกำมันเอาไว้ทำไมเราต้องไปเอามือไปถูกมันถูกน้ำมันเจ็บแล้วทำไมไม่เลิกทำสักทีก็ตอบได้ว่าเป็นเพราะลืมตัวเป็นเพราะหลงเป็นเพราะเผลอ อยากจะนอนแต่ก็นอนไม่หลับเพราะว่าคิดนอนคิดนี่ถามว่าพอใจไม่มีความสุขไหมที่มันใจมันคิดไปต่างๆนานาจนนอนไม่หลับบางทีกินไม่ได้ก็ไม่อยากนะไม่อยากคิดแต่ทําไมถึงคิดนะก็เพราะว่ามันลืมตัวเผลออันนี้เพราะไม่มีสติถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยนะมันจะรู้ทันนะเวลาใจเผลอคิดไปเมื่อมีสติก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา ความสุกตัวเกิดขึ้นความหลงก็หายไปความเผลอกไ็ไม่ปรากฏมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสลัดอดีตที่เจ็บปวดกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่พึงไม่ผวองถึงภาพปรุงแต่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนีป่วยกายเนี่ยมันก็เลยเวลาเจ็บป่วยก็ป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยใจเป็นปกติได้เวลาของหายนะมันก็หายแต่ของนะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกอะไรนะ เพราะมีสตินะสตินี่เป็นเครื่องรักษาใจที่ดีงานกระถินเนี่ยนะสมัยก่อ น, เ, นเขาจะติดธงเอาไว้นะมีธงจระเข้มีธงนางมัตฉามีธงปลามีธงต ะ, ต, ะตะขาบแล้วก็มีธงเต่าตะเข้เนี่ยนะก็หมายถึงความโลคนะเพราะมันกินไม่เลือกตะขาบนี่เขหมายถึงความโกรธนะเพราะพิดมันแรง นามัจฉาคือความหลงนะนามัจฉานี่ก็หลงสวยหลงรูปหลงหลงรูปตัวเองเนี่ยก็เลยเป็นตัวแทนความหลงแต่ว่าทั้งหมดนี้มันก็แพ้นะแพ้แหละแพ้เต่านะเต่านี่ท้าเปลี่ยนเป็นสตินะเต่านี่มันมีกระดองกระดองเนี่ยก็ช่วยปกป้องเต่าจากอันตรายเหมือนกับสติที่ช่วยปกป้องใจไม่ให้ทุกข์เต่าเนี่ยเวลามีอันตรายมันก็ปดทัวปดขา นะปลอดภัยก็ทำนอนด้วกันถ้าเรามีสติเนี่ยนะเวลาเจออะไรก็ตามที่มันจะปลุกใจให้รุ่มร้อนนะเราก็จะหลบตาบ้างหรือว่าเราก็จะปิดปิดตาบ้างหรือว่ า, าปิดหูบ้างนะหรือดีกว่านะัคือว่าเราสํารวมสํารวมอินทรีย์ก็คือว่ามองก็มองอย่างมีสติฟังก็ฟังอย่างมีสติเพื่อไม่ให้สิ่งที่เห็น ทางตาได้ยินทางหูหรือว่าสัมผัสทางกายเนี่ยมันมาทําให้จิตใจเป็นทุกข์พูดง่ายๆคือว่าอะไรมากระทบก็กระทบแต่กายแต่ใจไม่กระเทือนอันนี้เพราะมีสตินะสติมันทาให้เรารู้ทันความคิดคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ทุกข์เพราะความคิดไม่ได้ทุกข์เพราะว่ามันมีความไม่สะดวกสบายทางกายนะคนสมัยก่อนเนี่ยทุกข์เพราะมันไม่สะดวกสบายทางกายทุกข์เพราะหิว ทุกพรัร้อนทุกพรั้เหนื่อยนะแต่เดี๋ยวนี้ให้ความทุกเหล่านี้มันไม่ค่อยมารบกวนร่างกายเราเท่าไหร่เรามีชีวิตที่สะดวกสบายทางกายแต่เรามีความทุกข์ใจมากนะก็เพราะว่าใจที่มันใจที่คอยแต่จะคิดหาเรื่องใส่ตัวอะไรที่ทุกข์ก็คิดถึงมันอยู่นั่นแหละเั้น <c oughs> ถ้าเรามีสตินะใจเราก็จะวางไว้ถูกนะ หรือผู้ใหญ่ก็คือว่ามีเครื่องรักษาใจอะไรเกิดขึ้นนะกับชีวิตของเราซึ่งเป็นธรรมบาที่ต้องเกิดขึ้นเราก็สามารถจะวางจิตวางใจให้เป็นปกติได้ความสงบนะมันเป็นสิ่งที่คนสมัยนี้สแสวงหาสงบที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่สงบเพราะไม่มีเสียงดังนะแต่ว่าสงบเพราะว่าใจเนี่ยนะมันไม่รุ่มร้อนใจไม่กระเพื่อมใจไม่ฟุ้งซ่านไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงดัง เช่นอยู่ในป่าอยู่ในโรงหนังแต่ว่าอาจจะไม่สงบก็ได้เพราะว่าใจเนี่ยรุ่มร้อนใจนี่คิดต่างๆานานาอันนี้เรื่องใจมันเผลอ น, นะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยนะมีความรู้สึกตัวเนี่ยใจมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็จะไม่ไปหาเรื่องทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะทำบุญนะให้กับใจเนี่ยก็ควรหมั่นสร้างสติเอาไว้นะ เ, นเวลาเจอเหตุร้ายต่างๆเจอความตอว่าดอดทอเจอความ พลาดพลากสูญเสียเจอความเจ็บป่วยนะมันก็ทุกแต่กายนะมันก็เสียแต่ของนะแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้อีกสิ่งที่จะช่วยได้นี่ก็คือปัญญานะปัญญาเนี่ยในที่นี้เนี่ยมันก็มีหลายระดับนะเอาง่ายๆเนี่ยเพียงแค่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเช่นเงินหายเนี่ยโทรศัพท์หายเนี่ยเราลองเติมคำว่าแค่ลงไปเงินหายแค่สอง0ันเงินหายแค่หมื่นนะะ เงินหายบางทีเงินหายแค่แสนนะเวลาเราเติค <te le> ําว่าแค่ลงไปเนี่ยไอ้สิ่งที่หายไปเนี่ยมันจะดูเล็กน้อยมีใครด่าว่าเราก็คิดว่าเออเขาแค่ด่าเรานะดีนะที่เขาไม่ทําร้ายเรา die, เวลาเงินหายนะเ ว, เ, ยนยนะเวลาโทรศรัพท์หายก็ดีนะเออมันหายแค่โทรศรัพท์นะรถไม่หายด้วยลองเติคําว่าแค่ลงไปเนี่ยไอ้ความทุกข์ทั้ง <te le> <te le> หลายเนี่ยมันจะดูเล็กลงเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะลองเติมคาว่าแค่ลงไปมีคนนึ่งเนี่ยแก ตัวผอมซีดเลยนะเป็นชาวบ้านเนี่ยอายุกับ40สไปหาหมอหมอเห็นก็จับตรวจเลือดเลยแล้วก็พอผลตรวจเลือดออกมาก็เรียกคนไข้มาแล้วก็บอกว่าลุงนะหน้าตาแกเหมือนคนแก่นะกว่าลุงเป็นเบาหวานนะแก ย, ยิ้มเลยนะหมอเลยถามว่าลุงไอ้เบาหวานเนี่ย มันเป็นแล้วมันไม่หายนะ้ํะมันกินยาตลอดชีวิตนะทำไมลุงยังยิ้มอยู่นะแกก็บอกว่าอ๋อผมดีใจที่เป็นแค่เบาหวานทีแรกนึกว่าเป็นเอชนะเแบบาหวานเนี่ยบางคนหัวเป็นแล้วหัวทุกข์มากเลยแต่ลุงคนที่เป็นแค่เบาหวานนะนะนึกว่าเป็นเอชนะอีกรายหนึ่งน่ะอายุ12นะเป็นผู้หญิงเนี่ยกินอาสาไปเยี่ยมผมแกร่วมหมดเลยเพราะว่าฉายแสงฉีดเคม เธอเป็นมะเร็งสมองแต่หน้าเธอเถอหน้าตาเธอยิ้มแย้มจิตอาสาก็แปลกใจคุยไปคุยมาเด็กก็บอกว่าหนูโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกนะมีญาติคนนึงเนี่ยเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองมะเร็งสมองพอเติมคาว่าแค่ลงไปนี่ยิ้มได้เลยนะหรือแม้แต่มะเร็งมดลูกเนี่ยถ้าเติมคาว่าแค่ลงไปมันก็เบาลงนะอันนี้เขาเรียกว่า โยนนิสโสมนัสิกการนะนี้เป็นปัญญาชิ้นหนึ่งนะเพียง เ, เติมคำว่าแค่ลงไปเมื่อปี53มเนี่ยมันมีจรา จ, จนกลางกรุงนะเราคงทราบดีแล้วก็มีห้างมีการเผาบริเวย่ญญญานศูนย์การค้าเช่นสยามระดดมริราบประสงค์อะไรเนี่ยนะมันก็มีร้านสุกเก้ชื่อดัง m นเนี่ย น, น, นะโดนเผาไปสี่สาขาไม่รู้อิโนโนอเน่เลยนะ ต้องปิดกิจาการไปหลายวันทีเดียวเสียหายก็หลายสิบล้านนะผู้จัดการก็มารายงานซ e o โอนะคุณฤทธิ์นะเทลโกเมนแกก็รายงานด้วยความเศร้านะว่าล้านเนี่ยถูกเผาไปสี่สาขาคุณฤทธิ์เนี่ยแกฟังแล้วแกก็ยิ้มเลยนะเขบอกว่าเนี่ย้านเราถูกเผาไปสี่สาขานะแต่เรามีต้อง320สาขาสี่สาขาก็เป็น เล็กน้อยแค่นั้นแนหะเป็นแคนะ่ร้านเราถูกเผาแค่สี่สาขาคืออะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะลองเติมคําว่าแค่ลงไปเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กน้อยไปนะแล้วมันทําให้เราใจใจเราเป็นปกติได้หรือเราจะมองก็ได้ว่ามันเป็นธรรมดานะเงินหายนะความเจ็บความป่วยความล้มเหลวนะอุปสรรคเนี่ยถ้าเรามองว่าเป็นปัญหานะมันก็ทุกข์นะ แต่เราพอลองมองว่ามันเป็นธรรมดาบ้างนะเป็นธรรมดาบ้างเราจะรู้สึกนะว่าความทุกข์ ม, มาลดลงแม้แต่ความความตายนะความพาักภาคสูญเสียคนรักเนี่ยเราลองมองว่ามันเป็นธรรมดาบ้างนะอาจารย์โกวิทเขมานันทาเนี่ยนะซึ่งเคยเป็นสหายธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนแต่ว่าอาจารย์โกวิทย์เนี่ยศึกก่อนนะตอนที่อาจารย์โกวิทเป็นพระเนี่ยนะก็เป็นลูกศิษย์คนสนิท พระทาจารย์พุทธทาสท่านเล่าว่ามีคุณป้าคนหนึ่งนะคุณป้านี่แกก็เป็นคนธรรมธโมแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็มีน้องชายตายน้องชายตายนะพี่ชายของคนตายนี่แกก็เสียใจร้องห่มร้องไห้มาบอกข่าวให้คุณป้าท่านนี้ทราบคุณป้าทัานนี้ก็บอกว่าังแกพูดแบบชาวใต้ว่ามึงเคยเห็นไหมนคนที่ไม่ตายอ่ะ พอพูดเช่นนี้แกหยุดเลยนะน้องชายที่ร้องโหยร้องไา้นี่หยุดเลยนะได้คิดนะว่าคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายทั้งนั้นแหละมันไม่มีใครหรอกที่ไม่ตายคือส่านคุณป้าท่านนี้ท่านมองว่าความตายเป็นธรรมดาและท่านไม่ได้มองว่าความตายของน้องชายเป็นธรรมดาหรือว่าเพิ่งมามองเห็นนะก็ได้ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะว่ามันเป็นธรรมดา ถ้าเราลองนึกถึงอยู่เสมอนะอย่าไปรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมานึกว่ามันเป็นธรรมดามางทีทำใจยากมันมีบทพิจารณานะที่ที่นี่สวดประจำนะชื่อว่าบทอภินิหารปัจจเวกนะมี5ข้อนะแต่4ข้อแรกเนี่ยนะสั้นๆนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลดเพิ่มความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลดเพิ่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลมเพิ่มความตายไปไม่ได้ เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นอันถีาเราพิจารณาธรรมสีข้อนี้ยอยู่เสมอเสมอเนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์นะฟังข่าวมันมีคนโน่นคนนั้นที่โน้นที่นี่ตายนะเกิดเหตุร้ายเกิดระเบิดแรงต่างแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเราก็เอามาสอนเตือนใจเราว่าเออนะมันคือธรรมดานะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาด ถ้าเรามองมันเป็นธรรมดาเนี่ยถึงเวลามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็จะตั้งหลักได้อันนี้เรียกว่าเรามีเรามีธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจและถ้าว่าเราวางใจดีนะไม่เพียงแต่ใจเป็นปกติเท่านั้นนะเรายังสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้แทนที่จะปล่อยให้มันโบยตีเราแทนที่จะปล่อยให้เหตุร้ายมันโบยตีเรามันซ้ำเติมเราจนเป็นทุกข์นะ จนกินไม่ได้นอนไม่หลับแทนที่จะเสียเงินก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียการเราก็ได้ประโยชน์จากมันด้วยนะนอกจากใจเราเป็นปกติแล้วยังได้ประโยชน์จากมันคือพอมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยเราเข้มแข็งขึ้นเราฉลาดขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอตรตมา ก, ก็นักถือมากนะเธอก็เป็นสาวสวยนะเป็นตอนที่อยู่ปีสามเนี่ยหมหาวิทยาลัยเอกชนก็เป็นดาวหมหาเทยเลัยเธอสวยมากนะแล้วเธอก็ภูมิใจในความสวยของตัว พอประมาณปีสี่เธอก็ไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งผ่านทางโซเชียลมีเดียอันนั้นสมัยสมัยที่ยังไม่มีเฟซบุ๊กนะคือประมาณสักเปีที่แล้วก็ติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายก็หลงรักเธอทั้งที่ไม่เคยเจอหน้าพอเจอหน้ากันผู้ชายรู้ความจริงว่าผู้หญิงไม่ได้รักแบบนั้นก็โกรธนะเอาน้ำกรดสาดหน้าเธอเลยเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งคนที่เคยมีความภูมิใจมีความสุข ก, กับ รูปร่างหน้าตาของตัวเนี่ยพอมาเจอแบบนี้เนี่ยมันมันพลิกเลยนะไม่อยากอยู่อยากจะตายมากกว่าแต่ว่าคิดถึงแม่ก็เลยตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าขอย้ายบ้านไม่อยากจะทนไม่ได้ที่จะเห็นหน้าคนที่เคยเห็นเธอสวยงามเธอรู้สึกละอายเธอรู้สึกละอายนที่หน้าตาเนี่ยเสียโฉมที่จริงไม่ใช่ความผิดของเธอเลยนะแต่ว่าเธอรู้สึกละอายละอายมากรู้สึกอายก็เลยขอย้ายบ้านไป แต่หลังจานั้นเนี่ยผ่านไปครับปีสองปีเธอทำใจได้เธอทำใจได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะพอเธอทำใจได้เธอก็ใช้ชีวิตตามปกติเรียนจบก็ไปเป็นพนัก ง, งาน call center ที่ลงที่ธนาคารแห่งหนึ่งทุกเช้าเธอก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานเธอก็ไม่ปิดบังหน้าต่างเธอนะมีคนถามว่าเธอชื่อเค้กใช่ไหมเพราะว่าเธอเคยออกรายการโทรทัศน์เธอก็บอกใช่ถูกต้องแล้วค่ะนะ เรียนเรียนปัญญานะถูกต้องแล้วค่ะเธอก็ไม่อับอายเลยเลยนะเคยมีคนถามเธอว่าโกรธผู้ชายคนนั้นไหมที่เธอทำอย่างนี้เธอบอกเธอไม่โกรธเลยแถมอีกที่จริงอยากจะขอบคุณด้วยซ้ำเพราะเหตุการณ์นั้นมันทำใ ห, ทำให้ทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตของเธอเนี่ยเธอก็เรามาสองอย่างนะคือวันหนึ่งมันทำให้เธออยู่กับแม่แม่ทาให้เธออยู่กับแม่แม่ได้มากขึ้น คือถ้าเธอยังสวยพริ้งเนี่ยนันเธอคงจะหลงไปกับแสงสีนะก็คงไม่ได้อยู่บ้านแต่พอเธอหน้าตาก็เสียโฉมเนี่ยเธอก็อยู่กับแม่มากขึ้นนะแล้วก็ได้ดูแลดูแลท่านข้อที่สองเนี่ยเธอพ่อมันทําให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอว่ตะกรเนี่ยเธอเป็นคนที่ยึดติดมากนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็จะยึดติดถือมั่นมากแต่ว่าพอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันทําให้เธอได้เห็นความจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จีรังนะ หน้าตาของเธอเนี่ยนะถึงแม้ไม่เสียไม่เสื่อมนะวันนี้เนี่ยวันหน้ามันก็ต้องเสื่อมไปดีที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันทําให้เธอปล่อยวางได้เร็วนะเธอพูดอย่างนี้นะมันทําให้เธอปล่อยวางได้เร็วแล้วพอเธอปล่อยวางได้เร็วแนละ้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเธอก็ไม่ไม่สนใจใครก็จะมองเธออย่างไรนะว่าเธอหน้าตาไม่สวยเนี่ยเธอก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าไอ้ที่หนักกว่านี้เธอก็วางได้เธอก็ สามารถปล่อยได้ก็เนี่ยนะน่าถึงมากนะคนที่เขาเจอเหตุร้ายเนี่ยทีแรกก็ทําใจไม่ได้แต่พอเขาใจเขาพลิกเนี่ยนะหันมามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะมันทําให้เธอเนี่ยขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมันทําให้เธอเติบโตนะเธอใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็คือว่ามีปัญญามากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นแต่ก่อนใคร จะพูดถึงเธอไม่ใ น, ในทางดินทาว่าร้ายเธอทุกข์มากเลยแต่เธอว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่ทุกข์แล้วแล้วทุกวันนี้บางคนเนี่ยเพียงแค่เพื่อไม่กดร้ายให้ก็เสียใจกลุ้มนะแต่ว่าสําหรับเธอเนี่ยจิตจอยมากนะอันนี้เพราะอะไรเพราะเธอได้ผ่านนะเหตุร้ายมานอกจากจะสามารถรักษาใจใปกติได้เธอยังได้ประโยชน์จากมันก็คือทําให้เธอได้เห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่จีรัง มันก็สอนมันก็เตือนเธอให้ปล่อยวางให้ลองพิจารณาดูดีๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้มันจะแย่เพียงแต่ก็ตามเนี่ยมันมีแง่ดีเสมอนะมันมีข้อดีมันมีประโยชน์นะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่านะถ้าเราใช้มันถ้าเรามองให้ดีเนี่ยหรือใช้มันเป็นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มันทําให้เราฉลาดขึ้นทําให้เราเข้มแข็งขึ้นอันนี้ทําำได้เพราะมีปัญญาเพราะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญญาเนี่ย นะเขาจะไม่ค่อยหวั่นกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเพราะเขารู้ว่าปัญญาเนี่ยมันจะช่วยรักษาใจเขาไม่ให้ทุกข์แล้วก็แถมจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียมันทําให้เราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมันทําให้เราฉลาดขึ้นมันทําให้เรามั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการสร้างสติให้เกิดขึ้นพัฒนาปัญญาให้งอกงามเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะ มันเป็นสิ่งที่คนที่รักตัวเองเนี่ยนะควรจะใส่ใจนะเพราะว่ามันจะช่วยเป็นเครื่องรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ถ้าเรารักตัวเองแต่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดข่มงำใจอันนี้มันไม่ถูกนะถ้าเรารักตัวเองนะปล่อยให้ความอะไรอาวรมันมาบีบคั้นจิตใจเพรเสียดายของเสียดายคนเสียดายเงินอันนี้ไม่ถูกนะงนั้นถ้าการรักตัวเองเนี่ยนะถ้าเรารักตัวเองไม่ถูกเนี่ยนะ มันจะกลายเป็นว่าเรารักสิ่งอื่นแทนคนที่อะไราอารวอนเศร้าโศกเสียใจพ่อเงินหายบ้านถูกยึดของถูกขโมยเนี่ยนะจนกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับนะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเนี่ยอันนี้แสดงว่าเขาไม่ได้รักตัวเองหรอกนะเขารักเงินเขารักทรัพย์ ส, สมบัติมากกว่าบางคนเนี่ยเคยทำงานอยู่ในตำแหน่งสูงสูงแล้วก็ถูกปลดบ้างหรือว่าสูญเสียตาแหน่ง สูญนะเสียสถานภาพก็เศร้าโศกเสียใจหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ได้รักตัวเองนะแต่ว่ารักยศหรือว่าชื่อเสียงมากกว่ า, อาลองสังเกตดูดีนี่นะว่าเรารักอะไรกันแน่นะถ้าเรารักตัวเองเนี่ยนะเวลาเสียของเราก็เสียแต่ของสลัดมันทิ้งได้เราไม่ปล่อยใจให้ทุกเวลาเราจะสูญเสียยศนะสถานะ เ, เราก็ เสียแต่สิ่งนั้นเพราะมันเป็นสมมุติแต่ว่าใจเราไม่ทุกข์นะให้ลองนะลองกลับมาถามตัวเองว่า เ, เรารักตัวเองจริงไหมถ้ารักตัวเองจริงเนี่ยก็หมันพยายามนะทำบุญนะกับใจตัวเองมากๆเนะี่ยด้วยการมีสติมีปัญญานะที่จะมาพูดมาก็เป็นแค่ยกตัวอย่างนะมันมีวิธีการอีกเยอะนะที่จะช่วยทำให้ใจเราเป็นปกติได้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบ ปีนี้เนี่ยการทอดกระถินเนี่ยก็เป็นการทอดกรถินในเวลาพิเศษนะอ่าเป็นวาราที่เราทั้งหลายก็ไม่อยาให้เกิดขึ้นนะก็คือเป็นมาทอดกระถินในช่วงที่ในหลวงของเราในสเสด็จสวรรคตนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะมีความโศกเศร้าอะไรอววรอย่างไรเนี่ยสิ่งหน่ที่จะจะช่วยให้เราคลายความเศร้าโศกได้นะก็คือธรรมะเหมือนกันนะนึกถึงความดีนึกถึงน้ำพระทยัยของพระองค์ มันก็จะช่วยทําให้เราคลายจากความเศร้าโศกได้เพราะว่าพอเรานึกถึงความดีนึกถึงน้าพระทัยในหลวงเนี่ยนะจะเกิดปิติจะเกิดความ เ, าเกิดชันทะในธรรมขึ้นมาเกิดกําลังใจเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะทำความดีไอ้สิ่งนี้มันจะช่วยขับไล่ความความเศร้าโศกความอะไรอวรนและถ้าไม่ใช่เพียงแต่คิดนะแต่ว่าทําด้วยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยนะ เกิดเมตตากรุณาขึ้นมาแทนที่นะเกิดความสุขที่ได้ทําความดีพยายามใช้พยายามเปลี่ยนนะความเศร้าโศกความอะไรอาวรให้เป็นให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมะอย่างที่บอกนะว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราแม้เราจะไม่ปรารถนาแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องฉลาดในการใช้มันก็คือมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นทําให้เราฉลาดขึ้นในหลวงสเสด็จสวรรค์เราคนเนี่ยก็ลองนึกว่าเราจะเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไร ถ้าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเนี่ยก็ลองนะอ่านนะอ่านข้อความเนะี่ยที่คัดลอกมาจากาพระราชตดำรักของในหลวงนะที่มาติดไว้เนี่ยนะหลายคนเห็นแต่ว่าจะไม่ค่อยได้สนใจนะก็อยากจะแนะนําว่าก่อนจะออกจากวันนี้ไปเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยอ่านให้ได้สักสาสาแผ่นนะสข้อความข้อความมีเยอะถ้าเป็นยี่สนะแต่ว่าอ่านให้ได้สักสาข้อความอ่านให้จับใจความให้ได้แล้วก็ เอาไปพิจารณาว่าจริงไหมอันนี้ตัมมาช่วยวจะได้ประโยชน์มากน ะ, ะเราจะเรามาทําบุญที่นี่เราก็จะได้อะไรกลับไปนะถ้าไม่ได้ธรรมะนะจากพระพุทธเจ้าหรือจากตัมมาไปอย่างนั้นก็ได้ธรรมะจากพ ร, พระเจ้าอยู่หัวนะซึ่งจะช่วยทําให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิมฉนะลาดกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมได้ถึงแม้ว่าเราจะสูญเสียพระองค์ไปแต่ถ้าหากว่าธรรมะในใจเรางอก ง, งามขึ้น เพราะอาศัยพระราช ด, ดำริของท่านเพราะอาศัยคติธรรมของพระองค์เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นคนที่ฉลาดนะในการใช้เหตุการณ์ที่เป็นลบเนี่ยให้เกิดประโยชน์ส ร, ร้างสรรค์ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่หลวงพ่อคำเขียนนะไม่ได้มาเป็นประธานสง์ในที่นี้เป็นปีที่3แล้วนะตั้งแต่ที่ท่านได้จากไปปีห้าเจ็ดห้าแล้วก็ห้นะแต่ว่าก็อย่าให้เราเรารู้ถึงคำสอนของหลวงพ่อคำเขียนเหมือนกัน นะมีหนังสือที่จะแจกนะนะสำหรับผู้ที่มาเนี่ยเป็นทั้งคําสอนแล้วก็ประวัติของท่านนะก็หยิบไปนะคนละชุดแล้วก็เอาไปอ่านนะนะเอาไปอ่านที่บ้านก็ได้นะส่วนที่วัดนี่ก็อ่านพระราชนมหลักก่อนอย่างน้อย3ามแผ่นนะนะแล้วก็เราจะไดนะ้ได้ประโยชน์จากการมาไม่เพียงแต่ว่ามาทําบุญที่วัดนะมาถวายเงินที่วัดนะหรือมาช่วยนะ ใ, ให้การทอดกรถินสําเร็จนะแต่ว่านอกจากบนเพ็่ประโยชน์ท่านแล้วเราก็ได้ประโยชน์ตนด้วยสุดท้ายนี่ขอขอบคุณนะท่านคณะเจ้าภาพนะซึ่งได้มาร่วมกันออทอดผ้าป่ารวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาที่มาตั้งโรงทานนะบางท่านก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะหลายท่านก็มาตั้งแต่เช้านะก็มาด้วยเจตนาที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูล ญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยให้ได้มีอาหารบำรุงท้องบำรุงกายนะซึ่งก็เชื่อว่าความเมตตากรุณาของทั้งท่านเจ้าภาพแล้วก็ผู้ที่มาตั้งลงทานก็คงจะบำ ร, รุงจิตใจของเราด้วยให้เกิดความปิตินะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทําอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องท่านได้ทักเอาไว้ว่าเอออย่าลืมทำบุญที่ใจด้วยนะที่สุดนี้ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะตลอดจนบุญ ที่เราได้บำเพ็ญร่วมกันในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนัสสุขาภล ะ, พะเพื่อเป็นพระประปัจจใยในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะสามารถก้าวข้ามอุปรสรรคทั้งปวงเข้าถึงความสงบเย็นนะเป็นสุขปลอดภัยไกลทุกข์แล้วขอให้อนุภาพแห่งธรรมนั้นบังเกิด ให้เรามีสติมีปัญญานะสามารถพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทิน